176เชษฐาอนุชาและชยยันมองดูกันเองอีกครั้งเมื่อลอนกล่าวสิ้นกระแสความลงในตอนท้ายนี่น้อยเธอแน่ใจเหรอว่าที่เธอเล่ามพ้พี่ๆฟังนี่นะมันหมดเพียงแค่นี้จริงอนุชาหรืออดีตพรานชดเอ่ยขึ้นเสียงต่ำๆเป็นประโยคแรกนับตั้งแต่ฟังน้องสาวเล่ามา ก็หมดแค่นี้แหละค่ะทำไมพี่กลางสงสัยอะไรอีกเหรอหล่อนย้อนถามวางหน้าเรียบสนิทที่สุดเธอบอกว่าเธอหมดความรู้สึกจำอะไรไม่ได้อีกเลยในทันทีที่ไอ้ช้างผีลงนั่นนำเธอลอดผาน้ำตกเข้าไปพบแผ่นดินที่ซ่อนอยู่ใต้ภูเขาอย่างนั้นค่ะก็เหมือนคนนอนหลับสนิทไปงั้นแหละไม่ฝันไม่เห็นอะไรอีกทั้งสิน้น อนุชาเอามือขยี้จมูกพื้นพัมอะไรอยู่ในลําคอมีอาการเหมือนจะคลางแคลงใจอยู่เชษถาถามมาเสียงต่ําๆอีกครั้งว่าเอาละน้อยน้อยบอกว่ามารู้สึกตัวอีกครั้งเมื่อตอนได้ยินเสียงระเบิดและได้ยินเสียงพี่ตะโกนลงไปไหนไหนลองลาดับความทรงจาสิไอตอนนั้นพี่ตะโกนลงไปว่าไงดารินรีตาลง เม้มริมฝีปากหล่อนเองก็ชักจะเลือนลางอยู่เหมือนกันในเหตุการณ์ตอนนั้นเพราะขณะนั้นอยู่ในภาวะต้องมนสกดเข้าอย่างจังก็รู้สึกจะมีเสียงเปรี้ยงขึ้นก่อนเหมือนเหมือนเสียงฟาผ่าลงมาแล้วก็เป็นเสียงที่จำได้ว่าเป็นเสียงพี่ใหญ่ตะโกนลั่นดังมากทีเดียวดูเหมือนจะร้องบอกว่าน้อยอย่าถอดพระหรืออะไรทานองนี้ละคะ่ะ ตอนนั้นมันก็สับสนชุลมุนไปหมดอ่ ะ, อะคิดให้ดีสิหลังจากนั้นน้อยได้ทำหรือปฏิบัติยังไงต่อไปและมีอะไรเกิดขึ้นอีกพี่ชายใหญ่ซักมาช้าๆ้าเหมือนจะเป็นการทดสอบอะไรบางอย่างพอได้ยินเสียงพี่ใหญ่ตะโกนลงมาน้อยก็รู้สึกว่ามีอะไรอีกอย่างหนึ่งลักษณะเหมือนเส้นเชือก แข็งกระด้างวงกลมๆตกลงมากระทบตัวน้อยอ่ะแล้วก็หล่นอยู่ข้างหน้าอตอนนั้นก็ไม่ทันสังเกตชัดว่ามันเป็นอะไรอ่ะแล้วก็มีเสียงของลุงอินกับพี่กลางมั้งร้องกล้องลงมาให้น้อยหยิบสิ่งนั้นเวียงเขาใส่มันไรค่ะตอนนั้นทั้งมันและกลุ่มผีดิบบริวารมันกำลังยกขโยงตรงรีเข้ามาที่น้อยเหมือนจะฉีกเนื้อเถือนหนังก็รู้สึกว่าได้ยินเสียงไรเฟิล แผดสนันลงมาด้วยอะ่ะคงจะมีใครสักคนยิงปืนลงมายังกลุ่มไอ้ผีดิบพวกนั้นอะ่ะแล้วน้อยก็เหวี่ยงสิ่งที่คว้าขึ้นมาได้ลงไปที่มันอาการของดารินเริ่มตื่นเต้นเหมือนขวนคิดไปถึงเหตุการณ์น่าอัศจรรย์ตอนนั้นน้อยน้อยจะตาฝาดไปหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะทันทีที่เหวี่ยงวงกลมนั่นไปที่มันก็กลายเป็นบ่วงไฟเหมือนตะไลเพลิง หมุนควงเร็วจีไปรัดรอบตัวมันแล้วก็ลุกไหม้ชดช่วงขึ้นทันทีไอ้พวกซากต่างๆที่เดินทื่อตรงเข้ามาก็เลยพลอยลม้มลงหมดในเวลาเดียวกันนั่นแล้วแล้วพี่กลางพี่ใหญ่ลุงอินช ย, ยันก็โหนเชือดไ ต, ตลงมาจากด้านบนที่เป็นช่องโวซึ่งนั่นก็แปลว่าเราทั้งสองฝ่ายได้พบกันแล้วถึงตรงนี้น้อยก็คงไม่ต้องเล่าอะไรอีกแล้วใช่ไหมคะความเงียบ ได้ปกคลุมไปชั่วขณะดารินวราฤทธิ์มองหน้ากลุ่มพี่ๆไปทีละคนตามลำดับอีกครั้งกลับไปกลับมาอยู่เช่นนั้นเชฐานันมองประสานตาหล่อนนิ่งอนุชาเกาโหนโกแก้มช้าๆอย่างใช้ความคิดหนักส่วนช้ยันเอานิ้วเคาะกระโหลกตัวเองเบาๆดารินไม่สามารถจะทายความคิดอ่านของบุคคลทั้งสามได้ แต่รู้ว่าเต็มไปได้วยความพิศวง์คลางแคลงและยังไม่สู้จะแน่ใจในบางสิ่งบางอย่างดูคล้ายๆกับว่าคนเหล่านั้นกําลังอยู่ในภาวะสับสนอา้าแล้วแล้วทําไมทุกคนถึงได้นิ่งกันไปหมดทําไมไม่มีใครเล่าน้อยฟังมั่งอะ่ะว่าไปไงมาไงพวกพี่ใหญ่พี่กลางชั ย, ยันแล้วก็ลุงอินถึงได้ลงมาจากเพดานหินด้านบนได้ แล้วรู้ได้ไงว่าน้อยเข้าไปอยู่ใต้เขาตรงบริเวณนั้นน่ะหลอนเอ่ยถามอย่างงงงและต้องการข้อเฉลยมาบ้างอ่ะพี่จะบอกถึงเหตุการณ์ที่มันมาบรรจบกันพอดีก่อนนะเชิถาเอ่ยขึ้นมาเสียงเนบเนบตอนนั้นพวกพี่ลุงอินแล้วก็ลูกหาบางส่วนกำลังไตเพื่อหาช่องทางลงจากพื้นครอบเหมือนกระจก อันเป็นหินผลึกบางซึ่งบางแห่งใสบางแห่งฝ้าอีตอนนั้นพอมองลงไปเห็นคูหาหินข้างล่างได้บางส่วนไม่ชู้จะถนัดนักหรอกพวกเรากําลังมองหาลู่ทางกันอยู่อย่างเต็มที่เพราะได้ไต่ขึ้นไปยังเนินหลังเต่าที่พื้นเป็นหินโปรงตาจากภาพลับลับล่อๆวับวับแวมๆของแสงตะวันบ่ายที่สาดลงไป พวกเรามองเห็นน้อยยืนประจันหน้าอยู่กับไอ้ผีดิบมันตรายในลักษณะเลื่อนลอยไร้สติเราก็รู้ว่าขณะนั้นน้อยต้องมนสะกดแน่ชา ย, ยัน ก, กลางก็เลยตัดสินใจวางระเบิดเพื่อเปิดทางเพราะเราต้องแข่งกับเวลาที่สุดเพราะฝ่ายเรามองเห็นและน้อยแล้วจากด้านบนกําลังประจันหน้ากับไอ้มันตรายเราไม่ได้ยินอะไรนอกจากภาพที่เห็นลงไปแต่ตอนนั้นรู้สึกว่าน้อยกําลังจะถอดสร้อยแขวนพระออกจากคอ ซึ่งถถอดพ้นตัวหรือหลุดจากตัวเมื่อไหรน้อยก็เศษมันเมื่อนั้นโดยพวกเราจะไม่มีทางช่วยอะไรได้อีกกลางน่ะเป็นคนจุดชนวนระเบิดขึ้นทันทีโดยเราก็ไม่แน่ใจว่าอํานาจระเบิดจะทำให้หินบางส่วนหลน่นลงไปกลบทับเป็นอันตรายต่อน้อยหรือเปล่าแต่เราก็ต้องเสี่ยงเพราะมันรอช้าไม่ได้อีกลเพราะมันตูมขึ้นหินกลายเป็นรูโว่ได้ขนาดพอดีกับที่เราต้องการไม่ถึงกับถล่มลงไปมากนัก เราก็พลูกันมาพลูที่ช่องระเบิดนั่นแล้วพี่ก็โยนบ่วงอ น, นั้นลงไปให้พร้อมกระรองสั่งลงไปอย่างที่น้อยได้ยินนั่นแหละแล้วมันเป็นอะไรกันแน่ล่ะคะสิ่งที่มองเหมือนบ่วงวงกลมนั่นดารินถามมาโดยเร็วด้วยความสงสัยขีดสุดภายหลังจากพยายามลําดับภาพเหตุการณ์ตอนนั้นเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังว่าสิ่งนั้นคืออะไรและพี่ได้มายังไง แต่ที่น้อยสามารถหยุดมันไรและฤทธิเดชของมันทั้งปวงลงได้ตลอดจนทําลายอาถรรพ์ของนิทรานครลงได้หมดสิ้นก็เพราะสิ่งที่มีอิทธิฤทธิเหนือฤทธิเดชของมันนั่นแหละความจริงพี่ก็ไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่พี่ได้มานะ่ะจะมีมหิทธานุภาพยังไงแค่ไหนเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มีอํานาจเหนือโลกประทานให้พี่ซึ่งลุงอินเข้าใจในอํานาจนั้นดีและเป็นผู้แนะนําให้พี่นําติดตัวมาด้วยในระหว่างติดตามน้อย คราวนี้ลุงอินเพิ่งจะบอกพี่อวินาทีสุดท้ายว่าพี่โยนลงไปให้น้อยแล้วก็บอกให้น้อยเป็นผู้เหวี่ยงเข้าใส่มันไรพวกเราข้างบนมองไม่เห็นอะไรจากช่องที่ชะโงกดูนั่นหรอกเห็นแต่มันไรแล้วก็ไอ้ผีดิบพวกมันทุกคนล้มลงแล้วเมื่อเราไต่เชือกลงไปเพื่อเอาน้อยขึ้นมาเรารู้สึกว่าบรรยากาศภายในโพรงข้างล่างน่ะร้อนแรงมากเหลือเกินก็มาได้รับฟังจากน้อยเดี๋ยวนี้แหละ ว่าสิ่งนั้นได้กลายเป็นตะไยเพลิงหมุนไปล้อมร่างของมันไรไว้พร้อมทั้งเผาผลาญจนเป็นเท่าและพอน้อยกับพวกเราไต่ช่องทางขึ้นมาได้ก็ปรากฏว่าพื้นที่ที่ปกคลุมด้วยหินปโปรงตาอันเป็นบริเวณหนึ่งของภูเขาตำแหน่งนั้นก็เริ่มปริและถล่มลงเนื่องมาจากอาการไหวเคลื่อนตัวของแผ่นดินข้างใต้ลงไปซึ่งมันเป็นสิ่งแปลกประหลาดมากเป็นอาถรรพ์ที่ล้างอาถรรพ์ เป็นสิ่งที่มีอิทธิฤทธิ์เหนือชั้นกว่าที่ทำลายล้างอิทธิฤทธิ์ชั่วร้ายที่ต่ำกว่าเปรียบเสมือนเทพเจ้าประธานมาให้และรอเวลาจนกระทั่งน้อยนั่นแหละจะต้องเป็นผู้ใช้สิ่งนั้นโดยเฉพาะทีเดียวเพราะเมื่อพี่โยนลงไปสิ่งนั้นก็ยังมีลักษณะเหมือนบ่วงธรรมดาอยู่แต่พอน้อยเป็นคนโยนเขาใส่มันไรมันก็แปลสภาพเป็นบ่วงไฟไปทาลายมันทันที ดารินลืมตากว้างบัดนี้หลอนรู้แล้วรู้แล้วว่าสิ่งนั้นคืออะไรเพราะหลอนมองเห็นหน้าคาเทวีสำแดงกายขึ้นขณะที่มันไรถูกบวงไฟเผาผลาญดิ้นรนร้องหหยหวนอยู่แต่สภาพภายในคูหาหินด้านล่างขณะที่หลอนประชิญอยู่กับด้านบนที่พวกพี่ชายตะโกนลงมามันแบ่งขั้นตอนกันอยู่เหมือนมีอะไรมาบังตาไว้ให้หลอนเห็นอย่างหนึง่งฝ่ายของเชษฐา เห็นอีกอย่างหนึ่งซึ่งไม่เหมือนกันพี่ใหญ่หรือพวกเราคนไหนไปได้สิ่งประหลาดมหัศจรรย์ที่สามารถเผาผลานซากที่มันไรอาศัยสิงอยู่และสามารถผูกมัดพันธนาการดวงวิญญาณร้ายของมันไว้จนไม่อาจเร่ร่อนไปได้อย่างอิสระได้อีกแล้วคะมันไม่มีโอกาสที่จะมีอิสระอีกต่อไปเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอำนาจอยู่เหนือกว่านั้นได้มายังไงได้มาจากไหนล่ะคะเนี่ย ราชสกุลสาวน้องคนเล็กถามขึ้นอย่างพิศวงเฉิาแหลศพในตาชายันและอนุชาตอนนี้ท่านหัวหน้าคณะก็เริ่มจะอึดอัดใจที่จะบอกความจริงแก่น้องสาวขึ้นมาบ้างเหมือนกันน้อยไอเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่พี่เล่าลําบากเหมือนกันนะสําหรับสิ่งนั้นความจริงพี่ก็ไม่เคยรู้หรอกว่าสิ่งนั้ น, น่คืออะไร แต่นานอินเป็นคนบอกพี่เองว่าเป็นหน้าขบา่าที่นาคเทวีประธานให้มาเพื่อสำหรับใช้กาจัดมันไตรโดยตรงแล้วก็มีเจตนาที่จะมอบส่งให้แก่พี่นานอินสั่งนักสั่งหนาให้พี่เก็บรักษาไว้ให้ดีแล้วก็นำติดตัวมาตลอดระยะที่ออกติดตามน้อยมาครั้นพอถึงเวลาเข้าได้เข้าเข็มสำคัญที่สุดกนั้นอินนีะที่เป็นคนเตือนพี่ให้โยนสิ่งนั้นลงไปให้น้อยพร้อมกัน นั้นอินก็สั่งให้น้อยเวียงสิ่งนั้นเข้าใส่ไอ้ผีดิบมิริตตนนั้นนาขบาทของนาคเทวีดารินพืมพำ ร, รีดวงตาลงแต่แต่พี่ใหญ่ยังไม่ได้บอกให้น้อยรู้เลยนะคะว่าไปได้สิ่งนี้มาจากไหนแล้วได้มายังไงพี่ชายใหญ่ของคณะ อธิบายช้าๆให้หล่อนได้ทราบถึงเหตุการณ์ตอนที่ได้มีอิทธิริษปาฏิหารแปลกประหลาดนั้นให้น้องสาวฟังก่อนเหตุการณ์อื่นๆเริ่มตั้งแต่ระหว่างอ่อนเพลียนอนหลับพักไปในขณะติดตามน้องสาวในช่วงแรกนิมิตเห็นนางพญาแห่งบาดาลผู้มีสิริโฉมาปรากฏตัวทักทายด้วยแล้วโยนบ่วงไฟส่งมาให้พอสิ่งนั้นตกลงตรงหน้า ก็แลเห็นเป็นงูเห่าสองตัวขยอกกลืนหางกินกันเองตายติดคาค้างอยู่เมื่อตื่นขึ้นเล่าความฝันให้ทุกคนฟังนันอินผู้รู้ทางไสยศาสตร์มนมืดดีอยู่แล้วก็ได้บอกว่าสิ่งอาถรน์ที่จะปราบอาถรรร้ายได้ทุกชนิดซึ่งเรียกว่านาคขบาตเป็นการมาเข้าฝันเป็นปริศนาให้ทราบไวล่วงหน้าก่อนขณะที่ฟังนันอินแปล ร, รหัสแห่งความฝัน ก็ไม่ได้นึกเลื่อมใสอะไรทั้งสิ้นและเมอเดินทางต่อมาตัวเขาเองก็ได้มาพบกับของจริงคือแลเห็นงูเห่าสองตัวกำลังขยอกินหางของแต่ละฝ่ายอยู่ขมวดเข้ามาเป็นวงกลมและทุกคนก็เห็นพร้อมกันหมดเมื่อเรียกให้มาดูที่สุดงูทั้งสองก็ตายคาอยู่ในขณะนั้นกลายเป็นบ่วงงูอันตรงกับความฝันและสิ่งที่นันอินได้บอกให้ทราบไว้ล่วงหน้าทุกอย่าง ตอนนั้นเมื่อพี่และพวกเราทุกคนมาเห็นงูกินหางกัน2ตัวอย่างนั้นเราก็มีแต่ความตื่นเต้นประหลาดใจในอาเพศเพราะสภาพเช่นนั้นมันก็เป็นสิ่งผิดธรรมาชาติวิกลวิการอยู่แล้วซึ่งมันก็ตรงกับความฝันทุกอย่างซ้ํายังมีพื้นฐานในการบอกเล่าไว้ก่อนล่วงหน้าของลุงอินมารองรับขณะนั้นพี่ไม่เชื่อเรากว่ามันจะเป็นนาคบาศมีฤทธิ์เดชยังไงสําหรับจะปราบมัน ไ, ได้ แต่ลุงอินสิเ้าดีอกดีใจมากขอให้พี่เก็บรักษาไว้อย่างดีที่สุดแต่ลุงอินก็ไม่ได้อธิบายให้รู้ว่าเราจะใช้สิ่งนั้นยังไงเมื่อใดและจะเกิดผลได้ในทางไหนโดยบอกว่าเมื่อใดถึงเวลาจำเป็นจริงๆแล้วก็จะรู้เองพี่ก็เก็บรักษาเป็นอย่างดีมาตลอดเวลาที่ติดตามน้อยและพี่ก็เพิ่งมารู้เอาในวินาทีสุดท้ายที่นานอินสั่งให้พี่โยนสิ่งนั้นไปให้น้อยแล้วก็สั่งน้อยให้เหวี่ยงข้าใส่นั่นแหละ พระน้อยก็บอกว่ามันได้กลายเป็นบ่วงเพลิงร้อนแรงไปตวัดรัดรอบร่างที่มีดวงวิญญาณเป็นอมตะของอมันไรไว้พร้อมทั้งเผาผลาญเป็นขี้เท่าไปในที่สุดซึ่งมันก็แปลว่ามันไรจะต้องถึงคราวสิ้นสุดลงสันทีโดยน้ํามือน้อยเพียงคนเดียวเท่านั้นฝ่ายพี่น่ะเป็นเพียงผู้เก็บเอาสิ่งนั้นมาให้น้อยใช้เป็นอาวุธแก้อาถันทั้งปวงของเจ้าวิญ ญ, ญาณชั่วร้ายที่มีฤทธิ์เยยฟ้าท่าดินนั่นเท่านั้น ดารินขนลุกเกลียวขึ้นในทันทีดวงตาเป็นประกายหล่อนยกมือขึ้นพนมและบัดนี้หล่อนเข้าใจดีที่สุดแล้วสำหรับบ่วงประหลาดที่พี่ชายโยนลงมาให้และตนเองเป็นผู้เหวี่ยงเข้าใส่มันไรเพราะได้เห็นชัดกระตาหมดทุกอย่างเห็นแม้กระทั่งการปรากฏองขึ้นอีกครั้งของนาคาเทวีและคำปราศัยบอกเล่าของนางพญาแห่งบาดาลซึ่งฝ่ายของพี่ชายอันอยู่ด้านบนในขณะนั้น ไม่มีโอกาสจะเห็นได้แน่นอนที่สุดในข้อที่ว่าวิญญาณอันคอยพยาบาทจองล้างจองผลานมาทุกชาติพบของมันไรได้ถึงที่สิ้นสุดลงแล้วตามกฎวง้อแห่งกรรมของมันที่เวียนมาถึงพอดีเอาละค่ะน้อยเข้าใจละเข้าใจดีที่สุดในเรื่องนาคบาต ท, ที่พี่ใหญ่ได้มาล่อนเอยแผ่วเบ า, บานึกย้อนไปถึงภาพที่เห็นชัดกับ ขณะที่มันไรถูกบวงไฟรัดเอาไว้ดิ้นทุรนทุรายอย่างเล้าร้อนเจ็บปวดอันผิดไปจากสภาพเดิมของมันซึ่งไม่มีสิ่งใดจะมาทำให้มันมีความรู้สึกเช่นนั้นได้คราวนี้ก็ถึงเวลาที่ฝ่ายพี่ใหญ่จะต้องเล่าให้น้อยฟังแล้วล่ะค่ะว่านับตั้งแต่น้อยถูกน้ำจากยอดเขาเทซัดจากหายไปพวกพี่ใหญ่ออกติดตามน้อยมาได้ยังไงและระยะนั้น เจ้าด้วนของน้อยนะ่ะมันหายไปอยู่สักที่ไหนฝ่ายของพี่ชายก็เริ่มลําดับเหตุการณ์ให้หล่อนฟังบ้างตามที่ไปเชิญมานับตั้งแต่เริ่มออกติดตามเริ่มค้นพบร่องรอยในระยะแรกการไปพบเจ้าด้วนซึ่งสันนิษฐานได้ว่าถูกคลุงช้างผีลงของมันไรไล่ต้อนรุมทําร้ายลงไปจมกลักโคลนจนไม่สามารถจะขยื่นได้และได้ช่วยกันกู้ร่างของเจ้าด้วนขึ้นมา จากปลักคโคลนได้สำเร็จเจ้าด้วนก็เป็นมักคุเทศนำทางแกะรอยมาพบตำแหน่งที่ดาริงยิงเสือไว้โคนไม้ใหญ่ต่อมาก็ค้นพบหลักฐานหยุดพักในดงกล้วยป่าการมาพักแรมในป่าหินเหนือดงกล้วยหลักฐานของการน่าจะพิสูจน์ได้ว่าหลอนได้ขึ้นหลังช้างไปแล้วก็ได้เห็นรอยฟันบากลิศกิ่งไม้เหมือนจะที่ทางให้เป็นระยะๆการติดตามมาทุกระยะ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 โดยให้กระชั้นเข้าโดยการออกติดตามในเวลากลางคืนโดยวิธีหยุดพักเพียงเล็กน้อยพอหายเหนื่อยทั้งหมดก็มุ่งหน้าออกติดตามต่อโดยมีเจ้าด้วนเป็นมักคกุเทสนำทางได้อย่างดีที่สุดแม้มันจะไม่สามารถพูดหรือบอกเล่าใดๆได้ก็าตามแต่มันก็สามารถรู้กันได้ด้วยอาการและสัญชาตญาณอัญชันฉลาดของมันระหว่างที่ทางด้านดารินยังนอนพักรอเดินทางต่อในเวลารุ่งเช้า ซึ่งก็เป็นระยะเวลาของฝ่ายพี่ชายที่ติดตามมาโดยไม่ยอมเสียเวลาหยุดพักในเวลากลางคืนแล้วนั่นก็คือการสาวรอยให้ใกล้กันเข้ามาทุกทีถ้าตกค่ำน้อยนอนพักและพวกเราก็นอนพักพอเช้าช้างมันก็พาน้อยเดินเราก็ออกเดินตามโอ้แบบนี้ตามกันทั้งชาติก็คงไม่ทัน รึกว่าจะทันก็คงช้าไปกว่าเหตุการณ์ที่จะช่วยเหลือได้ซะแล้วเราก็เลยใช้เวลาช่วยโอกาสตอนน้อยหยุดพักนั่นแหละสาวระยะทางเข้ามาอนุชาผู้พูดน้อยที่สุดบอกความจริงให้ทราบแล้วมันก็ได้ผลจริงๆตกบ่ายของวันนี้พวกพี่ก็ตามน้อยมาทันจุดหมายปลายทางที่มันไรให้ช้างของมันนำน้อยมา แต่ความฉลาดและรู้อะไรดีอยู่ก่อนแล้วของเจ้าด่วนแท้แทนที่มันจะนําพวกเราตามหลังน้อยไปทุกเก้าพอเข้าระยะจําเป็นมันก็แยกนําพวกเราอ้อมสกัดขึ้นมาบนเนินเขาอันเป็นหินผาลึกด้านนี้หมายถึงว่าน้อยนํามุดใต้น้ําตกเข้าไปพวกของพี่ก็ขึ้นไปนสารวจดักอยู่ทางด้านบนก่อนละซึ่งเป็นเวลาที่สอดคล้องประจวบเหมาะกันอย่างทันท่วงทีงท เหมือนกเทพเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะทรงกำหนดเอาไว้ให้เจ้าด้วนพยายามใช้งวงผลักใสพวกเราให้ขึ้นมาบนเ น, นินนี้พร้อมทั้งส่งเสียงร้องทามากับกิริยาชี้แนะต่างๆเราก็เลยแบ่งกันออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งคุมข้าวของสัมภาระรอคอยอยู่ตรงร่องเนินข้างล่างพร้อมกับเจ้าด้วนพวกพี่สามคนลุงอินขยินแล้วก็พวกลูกหาป็นจนวนหนึ่ง ขึ้นไปบนหลังคาคลุมด้วยหินอันใสเหมือนแก้วผลึกนั่นแล้วเราก็มองเห็นน้อยในสภาพที่บอกแล้วจนถึงก็ต้องตัดสินใจระเบิดช่องทางลงไปเพราะขณะนั้นถึงแม้จะมองเห็นได้เพียงลับๆ ล, ล่อๆก็ไม่สามารถจะส่งสัญญาณลงไปถึงน้อยให้รู้ตัวได้เพราะหินผลึกน่นมันบังไว้เรื่องราวระหว่างฝ่ายติดตามกับฝ่ายถูกติดตามก็มาบรรจบกันได้ เมื่อทั้งสองฝ่ายต่างนำมาลำดับตอนเป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องประสานกันพอดีโดยไม่ขัดแยง้งได้สนับฟังอย่างไตร่ตรองและใครควรวญไปทุกระยะถ้าจะสอบเวลาก็จะตรงกันได้หมดหล่อนตระหนักได้ในบัดนี้ว่านอกจากจะขอบคุณคณะของพี่ชายที่ติดตามมาอย่างเพียบพร้อมไปด้วยความฉลาด ไหวพริบดีและเต็มไปด้วยสมรรถนะสูงสุดแล้วผู้ที่หลอนตกเป็นหนี้บุญคุณอย่างสูงก็คือเจ้าด้วนผู้แสนจะพักดีและแสนรู้สำหรับหน้าคเทวีนะ่ะไม่จำเป็นที่หลอนจะต้องเอ่ยถึงเพราะนั่นเป็นหนึ่งในจำนวนสิ่งเหนือโลกมหัศัก์สทร์ซึ่งยื่นหัดเข้ามาประทานความช่วยเหลือหลอนเมื่อถึงวาระที่เวรกรรมยิ่งใหญ่ของหลอนจะหมดสิ้นลง มีข้อสงสัยอะไรหรือยังไม่เข้าใจอะไรอีกดารินก็สอบถามจนหมดสิน้นต่อคําถามของหล่อนที่ว่าบรรดาพวกพี่ๆที่ขึ้นไปอยู่ยังด้านบนและมองลงมาเห็นหล่อนรําไรนั้นมองเห็นสภาพพื้นของภูมิประเทศเบื้องล่างอย่างไรคําตอบของพี่ชายทั้งสองและเพื่อนตรงกันหมดคือเห็นว่าหล่อนติดอยู่ใต้ช่องภูเขาต่ําลงไปเป็นคูหาหินเกาแกลป ร, รักหัก เป็นช่องทางเหมือนรางปลวกซึ่งข้อนี้เป็นตรงข้ามกับที่หลอนมองเห็นเป็นห้องบรรทมอันวิจิตรบรรจงสวยงามจนสุดที่จะพันนาได้นั่นแปลว่าตาหลอนเห็นไปอย่างหนึ่งและฝ่ายข้างบนก็เห็นไปอีกอย่างหนึ่งแสดงว่าสายตาของหลอนที่เห็นไปเช่นนั้นเป็นการเห็นย้อนหลังไปสู่อดีตแต่สายตาของพวกที่อยู่ข้างบนมองเห็นในภาพ ความเป็นจริงของภูมิประเทศในปัจจุบันจึงเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าไม่สมควรอย่างเด็ดขาดที่หล่อนจะต้องเล่าความจริงให้ฟังว่าหล่อนได้ไปพบเห็นปรางปรามมหาปราศาสตร์อันโอรานของจิตรังคนางให้คนเหล่านั้นฟังตามที่แง่ทายได้กล่าวเตือนไว้โดยตัดตอนซะด้วยคำบอกเล่า ว, ว่าหล่อนไม่รู้สึกตัวอะไรอีกเลยนับตั้งแต่ช้างของมันไร ได้นำหลอนลอดใต้าผาน้ำตกเข้าไปแล้วสิ่งที่หลอนกำหนดระยะเวลาไม่ถูกว่าเป็นเวลานา น, านสักเท่าใดตั้งแต่ช้างนำหลอนลอดใต้ถ้าน้ำตกเข้าไปสู่แผ่นดินเดิมของตนเองในอดีตการักขณะที่ได้ขึ้นไปสู่ตำแหน่งที่ถูกมันไรสะกดให้ถอดพระเครื่องรางออกและพวกข้างบนก็ระเบิดเพดานหินลงมาอย่างทันการนั้นหลอนใช้เวลาอยู่ในนั้น นานสักแค่ไหนที่ได้ถูกเปิดเผยให้หลอนทราบอีกอย่างหนึ่งก็คือเหตุใดระหว่างที่หลอนหลงทางอยู่คนเดียวเจ้าด้วนช้างคู่บารมีได้สูญหายไปไหนเพราะอะไรบัดนี้ดารินประจักษ์ชัดเข้าใจทองแท้เจ้าด้วนได้ถูกแย่ตัวออกไปก่อนฝ่ายพี่ชายไปช่วยค้นพบแล้วก็ช่วยเหลือได้ทัน ต่อมามันจึงเป็นผู้นำทางติดตามหล่อนมาอย่างถูกทางที่สุดซ้ำยังสามารถชี้แนะโดยอาการให้ฝ่ายติดตามหล่อนมาเหล่านี้เข้ามาถูกทางทันเวลาวิกฤตสุดยอดอย่างพอดีก็เป็นอันว่า q ิวดีทุกอย่างเคลียร์แล้วละคะ่ะทางด้านน้อยน่ดารินกล่าวขึ้นช้าๆชัดเจน ลุกขึ้นเดินไปกราบลงที่ตักของพี่ชายทั้งสองส่วนชัยยันนั้นหลอนเข้าไปกอดคอแน่นและจูบหนักหน่วงที่แก้มของเพื่อนชายใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสแต่น้ำตาคลอไปด้วยความตื้นตันใจในป่าอาถรรพ์แต่ก่อนนี้น้อยมั่นใจอยู่เพียงสองคนเท่านั้นคือระพินไพรวันกับแง่ายค่ะแต่เดี๋ยวนี้ต่อให้ไม่มีสองคนนั่นอยู่ด้วย น้อยก็อบอุ่นและมั่นใจที่สุดในพี่ใหญ่พี่กลางชายันนันอินขยินแล้วก็พวกเราทุกคนกันพี่กับชายันเป็นแต่เพียงผู้คล้อยตามเท่านั้นแหละอดีตฟรานชดกับนานอินโนนคือผู้ที่น้อยจะต้องขอบคุณเขาให้มากที่สุดรวมทั้งเจ้าด้วนด้วยถ้าเราไม่พูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาให้ความร่วมมืออยู่ด้วย ดารินมองไปยังพี่ชายกลางตาใสค่ะน้อยรู้มาตั้งนานนั่นหละว่าพี่กลางกับลุงอินน่ะยิ่งใหญ่ขนาดไหนเราทุกคนนะ่ะต้องใช้ทั้งฝีมือไหวพริบ ป, ปฏิพานเข้าร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นใครในหมู่ของพวกเราทั้งหมดนี่ศึกใหญ่ในการติดตามรับพินในครั้งนี้ก็คือไอ้มันไรอุบาทแล้วกไในที่สุดมันก็พินนาดลงไปได้แล้ว ด้วยน้ำมือของน้อยเองสิ้นสุดมันไรอุปสรรคสำคัญที่เราจะติดตามระพินอันยิ่งใหญ่ที่สุดก็หมดสิ้นไปแล้วต่อไปนี้ก็คงจะสะดวกขึ้นพอสมควรแล้วล่ะพรานชดเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงสงบค่อนข้างเคร่งขรึมของเขาพิกลางไม่มีอะไรจะตำหนีน้อยนะคะอนุชาวราริกยิ้มนิดนึงจับข้อมือน้องสาวที่มายืนอยู่ข้างๆไว ไม่มีอะไรที่จะต้องตำหนิหรอกน้อยเพราะการที่เราต้องพลัดพรากกันชั่วคราวจนพวกพี่ต้องออกติดตามในครั้งนี้มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นจากที่ตัวน้อยเป็นฝ่ายขัดคำสั่งของพี่หรอกแต่มันเป็นเลขกลของไอ้ปีศาจริษมากตอนนั้นอย่างแท้จริงน้ําที่ถล่มลงมาจากด้านบนถูกช้างของมันทลายหินอันเป็นเขื่อนส่วนหนึ่งให้มันพังลงมาเป็นเพราะคราวของข้อกรรมซึ่งมันผ่านไปแล้ว พวกพี่ทุกคนบนบานสารกล่าวหมดในทุกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอเพียงให้ตามตัวน้อยพบในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ถ้ากลับไปถึงบ้านเมืองเมื่อไหร่ก็คงจะต้องปัดแก้บนกันเป็นการใหญ่อ่ะพวกเราเครียดหนักเหลือเกินนะระหว่างติดตามน้อยเพิ่งจะได้มาหายใจกันสะดวกก็เมื่อคืนนี่แหละดารินหัวรอเสียงใสรู้สึกปลอดโปร่งขึ้นอย่างมากไปกว่าทุกครั้ง หลอนกล่าวขอตัวจากพี่ๆซึ่งยังนั่งประชุมกันอยู่ที่กองไฟเดินกลับไปยังที่นอนตรงกองสัมภาระค้นหาทูปขึ้นมาได้จำนวนหนึ่งจุดขึ้นแล้วแย่ตัวไปนั่งคุกเขา่าหันหน้าไปทางภูเขาถลม่มที่หลอนหลุดรอดขึ้นมาได้พนมมือสักการะอะไรอยู่อึดใจหนึ่งแล้วปักทูปลงกับแผ่นดินบูชาต่อหน้าคาเทวีเทพยาดาฟ้าดินและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมทั้งแผ่เมตตาเอาโหสิให้แกดวงวิ ญ, ญญาณของราชปุโรหิตมันไรตลอดเวลาพวกพี่ๆเฝ้าจับตามองและซุบซิบคุยกันเบาๆต่อมาดารินก็เดินเอาไฟฉายส่องดูไปตามพวกลูกหาบที่นอนเรียงรายอยู่ทั้งหมดนับจำนวนไปทีละคนพอเห็นหนานอินซึ่งหลบนอนห่างกลุ่มอยู่คนเดียวดารินก็ซึดตัวลงไปลูบหน้าอกแกเบาๆอย่างสนิทใจ เคารบรักใคร่ครูพรานพูดเท่ากล่าวลอดริมฝีปากออกมาแผ่วเบา ท, ทั้งทั้งที่ยังหลับตานิง่งเหมือนจงใจหลับสนิทว่านานอินมองเห็นนะตอนที่เจ้าแงซทรายมันเข้ามาหานายหญิงก่อนที่นายหญิงจะลุกขึ้นมาน่ะดารินตะลึงแล้วกระซิบเอาแล้วแล้วลุงไม่ได้หลับหรอกเหรอ ก็เพราะหลับนะสิถึงได้เห็นถ้าตื่นก็ไม่เห็นหรอกลุงเห็นยังไงอ่ะก่อนนายหญิงเห็นยังไงนานอินก็เห็นอย่างงันแหละเรารู้กันเองไม่ต้องพูดเดีคนอื่นฟังหรอกลุงนี่ลึกลับมากเหมือนกันนะนานอินก็ศิษย์มีครูแล้วนานอินก็เลี้ยงเจ้าแงซายมาตะเล็กแต่น้อย มันมาให้นายหญิงเห็นในฝันได้ทําไมนานอินจะไม่เห็นมันในฝันด้วยล่ะไม่ต้องขอบใจอะไรนานอินหรอกนายหญิงที่ไปจุดธูปบูชาหน้ากระเทวีเมตะกีเนี่ยก็ถูกต้องแล้วทั้งเทพทั้งอราราหันตะเจ้าหลายองค์เหลือเกินที่ช่วยนายหญิงไว้ไปกลับไปคุยกับกลุ่มเจ้านายเถอะนานอินจะขอหลับต่ออีกสักนิดนึงหญิงสาวอดหัวเราะออกมาเบาๆไม่ได้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 ภายหลังจากที่หลอนได้ถูกช่วยให้หลุดรอดพ้นขึ้นมาจากใต้ภูเขาอย่างฉุกละหุกเมื่อตอนบ่ายวันนี้แล้วก็พักเหมือนจะสลบเมือนไปตลอดค่อนคืนเพิ่งจะมาตื่นเอาในตอนนี้หลอนวิความรู้สึกเหมือนกับว่ายังไม่ได้ทักทายขอบคุณเจ้าด้วนอย่างแท้จริงช้างป่าแสนรู้เหมือนจะเป็นสิ่งคู่บารมีทำบุญร่วมกันมาแต่ชาติก่อน ส่งเสียงร้องแปรนอาการของมันแสดงความดีใจเห็นชัดเมื่อหล่อนเข้ามายิ่งปลายงวงออกมาโอบรัดกายหล่อนไว้แผ่วเบาและดารินก็กอดเอาหน้าแนบกับงวงใหญ่นั้นน้ำตาซึมด้วนนี่ถ้าไม่มีเธอเป็นกำลังสำคัญช่วยนำพวกพี่ๆติดตามมาอย่างถูกทางในคราวนี้ เราคงไม่ได้พบหน้ากันอีกแล้วหรอกนะด้วนเธอมีบุญคุณตัดชีวิตฉันอย่างเหลือล้นแม้ว่าเธอจะเป็นเพียงแค่ช้างตัวหนึ่งเธอก็จงรักภักดีแล้วก็แสนที่จะอย่างรู้ไปทุกสิ่งทุกอย่างเจ้าด้วนไม่ตอบเพราะมันตอบไม่ได้มันส่งเสียงแปรนขึ้นมาอีกครั้งค่อยค่อยคูเข่าลงหมอน ดารินเดินเข้าไปในซอกขาหน้าของมันเหยียบขึ้นไปที่ยืนที่โคนขาลูปคลําสีสษะและมองดวงตาเล็กตีแต่มีแววฉลาดและแสนรู้ของมันแล้วจับสํารวจไปที่ห่อผ้าอันพันไว้อย่างแน่นหนาซึ่งหลอนเองเป็นคนคล้องไว้ให้ที่คอของมันพร้อมกับกระดึงปากคงกล่าวแผ่วเบาต่อไปว่าด้วน บารมีของหลวงพ่อทวดแท้ๆเช่นะที่ช่วยคุ้มครองเธอไว้ให้รอดพ้นจากภัยพิบัติทั้งปวงทําให้เจ้าช้างร้ายปีศาจสิงสั่งเหล่านั้นทําอันตรายต่อเธอไม่ได้ถนัดนักเธอคงจะเหนื่อยยากเพราะฉันไม่น้อยไปกว่าคนอื่นๆเหมือนกันนะใช่เจ้าด้วนมันเหนื่อยหนักแล้วก็เสี่ยงภัยไม่น้อยไปกว่าเราทุกคนเหมือนกันในการติดตามหาตัวน้อยครั้งนี้เนี่ย เสียงตอบเรียบเบาดังมาจากเบื้องหลังเมื่อหันไปก็พบอดีตพรานชดยืนอยู่ใกล้ๆพี่ชายกลางเดินตามหล่อนมาเมื่อไหร่ไม่ทราบได้นี่น้อยก่อเ น, นี่ยพี่ก็ไม่เคยเชื่อนะว่ามันจะซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อน้อยถึงขนาดนี้ีอตอนที่เราไปพบมันจมปักอยู่ในหล่มโคลนและกว่าจะช่วยมันขึ้นมาได้ก็ทุลักทุเลไม่น้อยเลยทีเดียว ดีที่ไม่พิการแข้งขาหาักไประหว่างที่ระเบิดต้นไม้ใหญ่ลม้มเพื่อให้เกิดแรงฉุดตัวมันมาจากปลักโครนพิกลางคะ่ะน้อยนะภูมิใจมันมากเชียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอย้ำนะคะขอย้ำว่ามันเป็นช้างของระพินคะ่ะถึงเขาจะไม่ได้เลี้ยงมันไว้ก็ตามแต่การที่เขาสงวนมันไว้สั่งห้ามไม่ใครไปทำอันตรายมันมาโดยตลอด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 ซึ่งตามปกติแล้วมักจะมีเรื่องปีนเกลียวต่อปากต่อคำกันเป็นนิจศสิลแต่สำหรับคำคืนนี้อนุชากลับเป็นฝ่ายเอาใจน้องสาวคล้อยตามหมดทุกอย่างเอาสิถ้ามันตามน้อยกลับไปด้วยน้อยก็ดูแลมันได้แต่ด้วยนะเป็นช้างป่ามันแต่กำเนิดนะมันมีอิสระเสรีเต็มที่อาจจะไม่อยากอยู่ใกล้ชิดคนในถิ่นที่มีมนุษย์อยู่มากๆก็ได้ แล้วเราก็ไม่ควรจะไปกักขังมันด้วยควรจะปล่อยมันไปตามต้องการของมันเองจะเหมาะกว่าแต่น้อยเชื่อนะคะพี่กลางดารินย้ำคำหนักแน่นอย่างมั่นใจขณะที่ลูบลงไปบนผิวอันสากระด้างอย่างแสนรักน้อยแน่ใจว่าน้อยอยู่ที่ไหนเจ้าด้วนจะต้องอยู่ที่นั่นด้วยมันจะไม่เตลดเิดเปิดเปิงไปไหนอีกแล้วละ่ะถ้าเราให้ความเมตตาปราณีมันอย่างเสมอต้นเสมอปลาย ให้ความรักกับมันอย่างจริงใจอืกระสุดแล้วแต่ใจน้อยดีสําคัญที่สุดก็คือขอให้งานของเรานะสาเร็จร่วงไปซะ ก, ก่อนเท่านั้นแหละตอนนี้มันจะยังไปตั้งความหวังหรืออนาคตใดๆก็ไม่ได้ทั้งนั้นแหละน้อยแล้วอดีตพรานชดก็หัวเราะ อ, อย่างอารมณ์ดีกล่าวต่อมาอย่างเย้วๆว่าเฮเคยจําคําโบราณที่เขาพูดไว้ได้ไหมไอ้ที่ว่า เลี้ยงช้างก็ต้องกินขี้ช้างอ่ะหมายความว่าไงคะเอา้าก็หมายความว่าช้างน่ะมันเป็นสัตว์ใหญ่มากไงบางเวลาอาจจะก่อเรื่องอะไรขึ้นมาก็ได้แล้วก็หยุดมันยากซะด้วยเจ้าของจะต้องพลอยลำบากจุ่งยากใจโดยเฉพาะเวลามันเกิดเกเรเกตุงตกมันขึ้นมาไปทำอะไรเขา้าเจ้าของก็ต้องพลอยเดือดร้อนรับผิดชอบเสมอไปไง ไม่เชื่อว่าคงไม่เป็นปัญหาอะไรหรอกคะ่ะในเรื่องนั้นเราจะให้ด้วนอยู่อย่างอิสระไม่ได้เอามาใช้งานอะไรให้เขาต้องลำบากแล้วก็จะไม่ขัดใจเขาหากเขาอยากจะท่องเที่ยวไปไหนบ้างในป่าดงพงไพรพระนองน้ำแห้งก็ติดกับป่าใหญ่อยู่แล้วนี่ช่างที่ชอบก่อเรื่องร้ายร้ายนั่นถูกเจ้าของใช้งานหนักเหมือนธาตเอาตะขอเกี่ยวสับบังคับอยู่ตลอดเวลาพอได้โอกาสมันก็จะแผลงฤทธิ์เอาบ้างเป็นธรรมดา แต่ด้วนเนี่ยจะต้องอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีอยู่อย่างเพื่อนผู้มีบุญคุณกับเราระหว่างที่เขานําทางติดตามน้อยมาด้วยด้วนทําอะไรไม่สมควรมั่งหรือเปล่าล่ะคะอนุชายิมสั่นศีสักก็ประพฤติตัวเรียบร้อยอะรู้ภาษาดีมากโดยเฉพาะเมื่อมีลุงอินเป็นผู้สั่งพอเราหยุดมันก็หยุดรอพอเราสั่งให้ออกนําทางมันก็ออกนําทางไม่ถลายเถลอกไปไหน หรือขัดคำสั่งเลยนอกจากเวลาจำเป็นจริงๆที่มันรู้ว่าเราไม่เข้าใจต่อสถานการณ์ก็จะแสดงอาการบอกเป็นเครื่องชี้นำว่าทางฝ่ายเรานะ่ควรจะปฏิบัติยังไงอย่างเช่นตอนที่มันนำพวกเราอ้อมสกัดมาดักน้อยบนยอดเนินน่แทนที่จะนำพาสะกดรอยตามหลังเข้าไปยังช่องใต้น้ำตกที่น้อยถูกนำเข้าไปทาให้การช่วยเหลือสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแล้วก็ทันต่อเหตุการณ์พี่ยอมรับนะว่ามันรู้ทุกอย่าง เพียงแต่พูดภาษาคนไม่ได้เท่านั้นแหละอืมจริงๆเลยไม่ผิดหวังหรอกคะ่ะสำหรับเจ้าด้วนตัวนี้แล้วต่อไปเมื่อสิ้นมันไรไายไปแล้วน้อยเชื่อนะคะว่าช้างป่าทุกตัวจะไม่มาเป็นพิษเป็นภัยใดๆกับเราอีกเลยเห็นด้วนแล้วน้อยยังนึกเสียใจว่าสมัยก่อนนี่เค ย, ยิงช้างเป็นว่าเล่นล้มสลายเชือกแทบนับไม่ถ้วนต่อไปนี้ น้อยสัญญาค่ะว่าจะไม่ฆ่าช้างอีกแล้วยกเว้นแต่จําเป็นจะต้องป้องกันตัวจริงๆเท่านั้นน้อยนะ่ะเป็นคนยิงไอ้แหวงตายแต่ถึงจะตายมันก็ยังไม่ยอมลมไปยืนตายแอบในซอกภูเขาอันลึกล้ําที่สุดแล้วขณะตายแล้วยังยืนตายอย่างเต็มไปด้วยสงา่าสมศักดิ์ศรีพยาโคจฉาญอย่างแท้จริงน้อยทําบาปมามากนะคะสําหรับชาตินี้เดี๋ยวนี้ไม่มีความคิดที่จะฆ่าสัตว์ชนิดไหนอีกแล้ว ท่าไม่ใช่พระป้องกันชีวิตตัวเองหรือพักพวกแล้วก็อยากจะขอร้องพวกเราทุกคนให้ปฏิบัติตามที่น้อยตั้งปณิธานเอาไว้ด้วยค่ะชีวิตของใครใครก็รักเขาอยู่ถึงกลางป่าดงพงลึกพวกเราสิยังอุดซาหบากบันมาเบียดเบียนรังแกเขาความคิดของเธอเนี่ยดูจะเปลี่ยนแปลงไปมากนะน้อยค่ะน้อยมองเห็นแล้วละ่ะสําหรับบาปบุญคุณโทษ แล้วก็เชื่อในกฎแห่งกรรมร้อยเปอร์เซนลยก็ดีเป็นกุศลบารมีสำหรับตัวเองผลทางข้างหน้านะเรายังต้องผจนอีกมากนะักถึงยังไงก็อย่าเพิ่งถือศีลเคร่งซะ ก, ก่อนเวลาควรแล้วกันยังไงตอนนี้เรายังมีชีวิตผจนกรรมอยู่ในป่าเราก็ต้องใช้ชีวิตอย่างลูกป่าถ้าจำเป็นจะต้องฆ่าอะไรก็คิดซวาชาติก่อนมันเคยฆ่าเรามาก่อนแล้วก็มาใช้กรรมเก่าเราในชาตินี้ก็แล้วกัน ไปไป ไ, ปไปนั่งคุยกับพี่ใหญ่แล้วก็ชัยันเขาต่อเฮกจะได้หารือกันด้วยว่าจะเอายังไงกันต่อไปนี่อีกหลายชั่วโมงกว่าจะสว่างเราอาจพักกันอีกสักระยะให้สมกับที่กรากรำหนักมา3ามสี่วันแล้วก็ออกเดินทางสายสายของวันพรุ่งนี้ก็ได้ น, <c oughs> นี่กล่าวจบอนุชาส่งมือไปให้น้องสาวจับและฉุดลุกขึ้นยืนทั้งคู่พากันเดินกลับมายังกองไฟที่เชตฐาและชยยันนั่งรออยู่อีกครั้ง นี่น้อยดูเธอแจ่มใสปราดเปรียวเหมือนเดิมนั่นนี่บ่าแต่พรุ่งนี้เราจะเริ่มต้นกันยังไงดีเพราะตั้งแต่พวกเรามัวหลงพลัดกันเองและติดตามหากันอยู่สองสามวันนี่เราทิ้งทางด้านระพินเด็ดขาดเลยนะเชยันเปรยขึ้นพูดกันหล่อนก็จริงแต่ความหมายของประโยคดูจะฟังความเห็นหารือไปยังทุกคนซะมากกว่าดารินอึ้งไปหล่อนเองก็กาลังจนต่อปัญหานี้เช่นกัน อืเรื่องนี้คงไม่ยากนะมันเป็นหน้าที่ของอนุชาลุงอินแล้วก็คิดว่าที่สำคัญที่สุดก็คือเจ้าด้วนแะ่ะเช่ฐาเอ่ยขึ้นอย่างไม่ต้องคิดอะไรมากก็ขนาดน้อยตกอยู่ในก ร, ร ม, มือของมันตดแแท้เจ้าด้วนยังนำทางเราให้ตามมาพบยนได้ก็ทำไมมันถึงจะนำทางเราตามรับผินให้พบไม่ได้หรือไงกลางประโยคหลังอดีตพราน ทูตทหารรบถามถ้าไปทางน้องชายจะช้าหรือเร็วแค่ไหนจะตามพบกันจุดใดมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่เรื่องจะตามจนพบนะผมแน่ใจครับพี่ใหญ่แล่ผมก็มั่นใจอย่างเดียวกับพี่ใหญ่นั่นแหละคือตราบใดเรายังมีเจ้าด้วนอยู่กับเราด้วยเช่นนี้มันก็จะเป็นมครคุเทศนำทางติดตามระพินได้ดีกว่าผมหรือลุงอินซ์ นี่น้อยเธอแน่ใจไหมว่าเสร็จสิ้นจากการติดตามตัวเธอจนพบแล้วเนี่ยเจ้าด้วนสามารถจะหยั่งรู้ในความต้องการของเราโดยเฉพาะของเธอว่าจะต้องติดตามระพินต่อไปได้ไม่มีอะไรที่พี่ใหญ่สงสัยในเรื่องนี้หรือคะก็ยังไม่สู้จะแน่ใจนักอะ่ะพี่สังเกตเห็นมันแสดงตัวอย่างขมิขมันเอาจิงเอาจังเฉพาะตอนที่เธอพลัดหายแยกออกไปจากคณะเท่านั้นแหละ แต่เท่าๆแล้วแต่เท่าที่แล้วแล้วมาน่ะจิงอยู่แม้มันจะดูคล้ายๆร่วมทางมากับเราด้วยแต่มันก็อยู่ในลักษณะป่นเปลี่ยนป่นเ ป, นปนลี่ยนใกล้ชิดกับคณะของเราในบางขณะเท่านั้นบางทีมันก็แยกหายไปทั้งวันแล้วก็ไปดักรอคอยอยู่ข้างหน้านอนคือมันก็อิสระเสรีไปตามประษาของมันส่วนเราก็เดินรุดหน้าของเราไปเพียงแต่มันคอยตามไม้เห็นเป็นระยะระยะเท่านั้นสรุปก็คือเราไปไหน มันก็คอยตามไปด้วยแต่มันก็ไม่ได้อยู่ในลักษณะนำทางโดยตรงเราสิเป็นฝ่ายตัดสินใจเองโดยตลอดต่อไปมันอาจเข้ารูปแบบเดิมก็ได้นะคือมันท่องเที่ยวของมันไปตามเรื่องไม่ได้อยู่ใกล้ชิดเราตลอดเวลาแค่นึกจะโผล่ไม่เห็นเมื่อไหร่ก็โผล่ซึ่งถ้าเป็นอย่างที่ว่าเนี่ยเราก็จะหวังอะไรไม่ได้หรอกน้องสาวลูกมือทั้งสองเข้าหากัน แล้วยื่นมือไปอังไฟไว้ริมฝีปากมีรอยยิ้มอย่างแน่ใจและเกิดความเชื่อมั่นเต็มเปี่ยมพี่ใหญ่คะ่ะถ้าเฉพาะในปัญหาข้อที่พี่ใหญ่ว่านี่ก็ขอให้ทุกคนสบายใจได้นะคะเพราะแม้ว่าเราจะส่งภาษาพูดกันไม่ได้ระหว่างน้อยกับเจ้าด้วนแค่มองตากันก็รู้ความหมายแล้วเราสามารถเข้าใจกันได้ด้วยกระแสจิตและสัญชาตญาณ น้อยจะสั่งมันในเรื่องให้นำทางนับตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ทึ่งต้องขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ตัดสินใจของพี่กลางและลุงอินด้วยว่าจะยอมตามมันไปทุกฝีก้าวหรือเปล่าเพราะถึงยังไงมันก็คงจะไม่ฉลาดไปกว่าพี่กลางหรือลุงอินไปได้หรอกคะ่ะอนุชาพยักหน้าลงนิดหนึง่งเอาตกลงถ้าเธอเข้าใจและรับรู้ไว้ล่วงหน้าได้อย่างนี้ก็เป็นการดีแล้ว เจ้าด้วนแสดงความสามารถนําพวกเรามาเอาตัวน้อยกลับคืนจากเงื้อมือของมันไรได้ก็จริงแต่ในการจะใช้มันนําทางออกตามระพินต่อไปอ่ะมันก็ต้องขึ้นอยู่กับวินิจฉัยวิเคราะห์ของพี่ลุงอินพี่ใหญ่แล้วก็พวกเราทุกคนเป็นหลักด้วยอจะฝากความหวังฝากชีวิตไว้กระช้างป่าเพียงตัวเดียวมันก็ย่อมไม่ได้ไประเดี๋ยวพ่อพาปีนเขาสูงๆติดต่อกันสักสิบยอดพวกเราก็จะไปกันไม่ไหวซะก่อนเท่านั้น แรงช้างกแรงคนอะมันไม่เหมือนกันป่าบางสภาพนะช้างผ่านไปได้แต่มนุษย์อย่างพวกเราอะผ่านไปไม่ได้หรืออนาเขตบางเขตบางแดนพวกเราอะผ่านได้เจ้าด้วนอาจจะผ่านไม่ได้ดารินขมวดคิ้วอย่างพิษสวงหันมาจ้องหน้าอาดีตพรานชดพี่กลางคะประโยคแรกน้อยก็พอจะเข้าใจนะคะ ไอ้ที่ว่าถ้าเราเดินตามเจ้าด้วนทุกระยะย่อมไม่ได้เหมือนกันแต่พี่กลางพูดว่าบางเขตบางแดนเจ้าด้วนก็ไม่สามารถผ่านไปได้นะ่ะมันหมายถึงสถานที่อย่างไหนอะอนุชาวราริศเงียบไปนานสายตาของอดีตนักพเนจรผู้ยิ่งใหญ่ในไพร ล, ลีลับจับนิ่งไปยังประกายไฟในกองที่แลบเลียกิ่งไม้แห้งอยู่พรอมแพรม เชิดฐาและชัยันก็พลอยหันไปมองหน้าเช่นกันถ้าคิดจ้อนหลังสักนิดพี่ใหญ่ชยันและแม่แต่น้อยเองก็น่าจะนึกรู้ได้นะว่าบางบริเวณสัตว์ป่าสามันธรรมดานะไม่อาจผ่านเข้าไปได้เพราะมันมีพรมแดนลี้ลับอะไรบางอย่างที่เรามองไม่เห็นแบ่งกั้นอยู่อนุชาเว้นระยะไปแค่นั้น ชายันลืมตาโผล่ร้องออกมานี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่แกหมายถึงใช่ฉันหมายถึงเทือกเขานิหลัการอันเป็นนาอาณาจักรนครวานนของวายาหรือพรมแดนมรกรนครของจักรราษอาดีตพรานชดกล่าวมาเกือบจะเป็นเสียงกระซิบทำเอาอีกสามคนนิ่งงันเบิกตาคิดและชะงักงันไปครู่ใหญ่นี่กลาง นี่เธอคิดว่าเรามีความจำเป็นที่จะต้องผ่านเข้าไปยังดินแดนยิ่งกว่าลี้ลับนั่นอีกเหรอในการสาวรอยตามระพินคราวนี้ครับถ้าเราก้าวสกัดระพินระหว่างทางไม่ทันและถ้าเราเกิดสงสยัยหรือได้ร่องรอยว่าเขาจะมีการผ่านเข้าไปที่นั่นถ้าเราไม่ตามเข้าไปยังที่นั่นด้วยและเราจะตามเขาพบได้ไงครับ ภายหลังจะเกิดความเงียบกันไปครู่ใหญ่เชษฐาก็กล่าวขึ้นมาเสียงขรึมๆว่านี่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องเข้าหาต้นเหตุซะก่อนนะว่ารพินนำคณะนายจ้างพวกนั้นไปค้นหาอะไรเขาต้องการค้นหาตำแหน่งตกของเครื่องบินบีห้าสิบสองลำนั้นและที่สำคัญที่สุดก็คือระเบิดนิวเคลียสิทธิ์เมกาตันที่ติดอยู่ในเครื่องเธอยอมรับในข้อนี้ไหมปาง ใช่ครับผมยอมรับแล้วเราก็รู้เป้าหมายของเขาอยู่ก่อนแล้วนี่อ้าวแล้วมันจะไปเกี่ยวข้องอะไรกับที่รพินจะต้องแวะเข้าไปในนครวานนของวายาหรือมรกฎนครของจักรราชละ่ะพี่ใหญ่ครับก็ถ้าหากมันมีหลักฐานที่ทําให้เขาบังเกิดความเชื่อมั่นแน่นอนว่าบีห้าสิบสองลนั้นดันไปหล่นอยู่ในนครวานนหรือที่มรกฎนครแหะครับ นั่นน่ะไม่ใช่เหตุผลที่เขาจะต้องหาทางเข้าไปที่นั่นให้ได้หรอครับไอ้แปลกจริงอะไรทำให้พี่กลางคิดไปไกลถึงขนาดนั้นล่ะคะน้องสาวคนเล็กถามมาโดยเร็วหน้าตาตื่นไปหมดนี่น้อยขณะนี้เราได้เดินทางตามเขามาไกลแค่ไหนแล้วไกลจนกระทั่งเข้ามาสู่ใจกลางของนิทรานครของมันไร เช่นที่เรารเผชิญกันอยู่นี่ก็ยังไม่พบร่องรอยหรือติดตามเขาได้ทันเพราะฉะนั้นการที่จะต้องเดินทางไกลต่อไปทำไมถึงจะเป็นไปไม่ได้พี่ไม่ได้พูดนะว่าพี่แน่ใจเพียงเป็นแค่การสังหรณ์สังหรณ์ว่าอาจจะเท่านั้นคนอย่างระพิน่ะเรารู้ดีอยู่แล้วนี่ว่าเขาเป็นยังไง ไอเรื่องที่จะหันหลังกลับโดยยังไม่ได้วีแววอะไรในงานที่เขารับมอบหมายเป็นไม่มีวันเี่แหละต่อสุดล่าฟ้าเขียวสุดห้วงจั ก, กรวาลคนคนนี้จะต้องบุกบั่นไปให้ถึงนอกจากเขาจะตายลงซะ ก, ก่อนเท่านั้นแ ล, และพี่ชายกลางก็หันมาจับมือน้องสาวคนเล็กที่นั่งหน้าซีดเผือดอยู่นอย น้อยรู้สันดานหรือนิสัยใจคอเขาดีกว่าพวกเราซิอีกไม่ใช่เลยขนาดพี่กับลุงอินไปติดอยู่ในคุกเมืองมรกรนครเขายังนําพวกเธอไปตามพี่ออกมาจนได้งานนี้ก็เป็นเกียรติยศเป็นศัก์เป็นสีของเขาอีกชิ้นนึงเหมือนกันอาจจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตามอ่ะลงได้รับงานแล้วมันไม่มีวันหันหลังกลับเว้นอยู่แค่กรณีเดียวคือตายซะก่อน นี่กลางแกพูดให้เราต้องคิดหนักใชแล้วนะชยันพึมพำรรออกมาดวงตาหลีลงแววกลางวลชนิดหนึง่งผ่านวู้บไปบนสีหน้าของเขามันหมายถึงลูกรักเมียขวัญที่รอคอยอยู่เบื้องหลังแต่ก็ชั่วขนาดจิตเดียวเท่านั้นที่อดีตนตายทหารปืนใหญ่เพื่อนตายของพี่น้องในราชสกุลวาราริตกลับคืนมาเป็นชยยันคนเดิม เหมือนเหมือนกับครั้งที่ตัดสินใจเด็ดขาดจะออกเดินทางร่วมมาด้วยมันหมายถึงตายไหนตายกันไอ้บ5 2 B 52, มันอาจจะสูญหายไปในสองดินแดนที่เราผ่านมาแล้วนั่นก็ได้และถ้ารพินแน่ใจว่ามันตกที่นั่นเขาก็จะต้องนำคณะนายจ้างเข้าไปเพื่อให้เห็นกระตารู้แน่ชัดออกไปให้ได้ ปัญหาที่ว่าจะกู้กลับคืนมาได้หรือไม่นะ่ะมันเป็นเรื่องภายหลังแล้วถ้าเขากลับคณะาบาหน้าไปที่นั่นน้อยคิดยังไงเอาละ่ะถ้าเรื่องนี้พี่ตอบแทนน้อยให้ก็ด้เชื้อ่าเอ่ยขึ้นเรียบๆแต่มั่นคงยิ่งในน้ำเสียงระพินไปถึงไหน เราก็จะต้องไปจนถึงที่นั่นไม่มีอะไรที่จะต้องลังเลอีกทั้งสิ้นเราก็ตั้งปฏิธานไว้เหมือนเขาเช่นกันคือทางด้านเขาถ้าไม่พบเครื่องตกเขาไม่ยอมถอยกลับส่วนทางด้านเราหากยังไม่พบเขาก็จะไม่ถอยกลับเหมือนกันเมื่อเคยบอกไว้แล้วนี่ว่าจะไปเก็บกระดูกของคนคนนี้มาชาปนากิจ งั้นไม่ใช่เหรอดารินวราฤทธิ์ตอบด้วยสีหน้าและแววตาซึ่งบัตรนี้เรียบสนิทว่าค่ะแน่นอนค่ะพี่ใหญ่อา้าวทังนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรสำหรับเรื่องนี้ถึงเจ้าด้วนจะไม่สามารถนำพวกเราไปได้เมื่อใกล้บริเวณนั้นเข้าไปอดีตพรานชดก น, นันอินก็สามารถนำไปได้นี่ถูกต้องไหมยังจำเส้นทางได้อยู่อีกหรือเปล่า เชษฐาหันมาถามอนุชานักเดินโดงผู้แกร่งกล้าในอดีตยิ้มบางๆที่มุมปากไม่ต้องห่วงครับพี่ใหญ่ถึงยังไงผมก็ยังมีลุงอินเป็นคู่คิดอยู่อีกทั้งคนแล้วแกก็แม่นยำต่อเส้นทางมากกว่าผมซิีเอาละพี่คิดว่าเราทั้งหมดสี่คนนี่นะควรจะพักนอนเอาแรงกันอีกสักนิดก็ยังดีนะก่อนสว่างแล้วก็ค่อยมาว่ากันใหม่ตอนเราตื่นขึ้นมาอีก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 อาวุธคู่มือกระบอกที่ล้มสัตว์และฆ่ามนุษย์ร้ายในชีวิตกลางป่าดิบดงดำมาจนแทบนับไม่ถ้วนแล้วของหลอนกระบอกนี้ต่อไปนี้ก็คงจะเป็นเพียงภาระหนักที่หลอนมีความจำเป็นที่จะต้องติดมือหรือสะพายไหลไปงั้นเองไม่ได้คิดที่จะไปล่าสังหารราวีสิ่งใดอีกแล้วนอกจากเพียงแค่ป้องกันชีวิตตนเองและพักพวกชนิดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เท่านั้น พร้อมกันก็สำรวจกระสุนปืนสั้นประจำตัวจัดการเพิ่มเติมเข้าเข็มขัดซองปืนจนครบจำนวนและง่วนรวจดูเป้หลังส่วนตัวค้นหาอะไรบางสิ่งบางอย่างโดยใช้ไฟฉายส่องทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นของส่วนตัวแบ่งจากกองสัมภาระส่วนใหญ่มาเก็บไว้ในเครื่องหลังอย่างอยู่ครบถ้วนแสดงว่าระวางที่หลอนหลงพะัดพาดไปนั้น ไม่มีใครมาเปิดคน้นหรือหยิบอะไรออกไปเลยนอกจากใจหิว้วติดขบวนมาด้วยเฉยๆเท่านั้นบาเซียอันเป็นตะขอเกี่ยวด้านหน้าขาดออกและเหดีทองเคของคริสติน่าที่หล่อนเก็บได้ระหว่างระยะทางติดตามในตอนต้นก็ยังเก็บซ่อนไว้ใต้ก้นเป้ตำแหน่งเดิมดารินหยิบเอาเลดข้อมือเส้นนั้นขึ้นมาพิจารณาอีกครั้ง เป็นไงคิดถึงเจ้าของเลดเส้นนั้นมากเป็นพิเศษใช่ไหมเสียงงึมงำของชายยันดังมาเบาๆ เ, เพื่อนชายยังไม่ได้หลับตาแต่นอนชันเข่าเอาแขนหนุนศีรษะมองดูอยู่เงียบๆนานแล้วดารินไม่ตอบเพียงแต่ยิ้มขรึมๆเดาะสิ่งนั้นขึ้นลงในมือช้าๆสิงชายยันบอกต่อมาว่าป่านนี้ไม่รู้ไหมผมทองคนนั้น ฮิวเอานายระพินของเธอไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้นะฮึระพินต่างหากกัที่จะต้องหอบหิ้วบุคคลเหล่านั้นนี่เธออย่ามาพยายามยั่วแย่อะไรฉันไม่สบายใจหน่อยเลยฉันมีความเชื่อมั่นจากสัมผัสที่หกว่าถึงยังไงก็ตามอเมริกันนายจ้างกลุ่มนั้นทุกคนไม่ว่าจะหญิงหรือชายเป็นคนดีพอสมควรหรือถ้าจะไม่ดีมาก่อนก็จะต้องกลายเป็นคนดีไปในที่สุด ภายหลังจากมาร่วมเป็นร่วมตายอยู่กระพินภายในอาณาจักรป่าดําอันแสนจะเหี้ยมโหดนี่กระพินจะต้องเอาคุณธรรมความดีเข้าชนะใจพวกเขาเจนได้ะฉันเชื่ออย่างนั้นก็ดีฉันอยากจะบอกกับเธออย่างงี้มาตั้งนานแล้วละ่ะน้อยจะได้ไม่ต้องมากังวลอะไรมากงั้นจะเก็บของพวกนั้นเอาไว้ทําไมเก็บไปมันหนักทำไมชยันถามในขณะที่อ้าปากหาว มันก็ไม่หนักหนาอะไรนี่ที่ฉันจะเอาติดตัวไปด้วยเพื่อจะคืนให้กระเจ้าของเขาหากเรามีโอกาสได้พบเห็นกันอ่ะทั้งนั้นก็มานอนซะเถอะมะอย่ามัวแต่นั่งคิดอะไรอยู่มันเสียเวลาเลยถ้ามีเวลาก็ควรจะฉวยโอกาสพักลืมตาตื่นมีเรี่ยวมีแรงขึ้นมาเมื่อไหร่ค่อยว่ากันใหม่นักผจญโชคผจญภัยที่ดีนะจะต้องปฏิบัติอย่างนี้ อย่าปล่อยความฟุ้งซ่านมันมาแผลนสมองแล้วก็จิตใจของเราโดยเปล่าประโยชน์เลยนั่นเป็นข้อแนะนำที่ดีและมีเหตุผลที่สุดของเพื่อนชายซึ่งคบหารักสนิทเสมอญาติกันมาแต่ไหนแต่ไรไม่ใช่พี่ก็เหมือนพี่ชายคนหนึ่งดารินแทกกายเข้าไปนอนตรงที่ที่ลอนซึ่งเพิ่งสังเกตได้เดี๋ยวนี้เองว่า หลอนได้ถูกขนาบข้างไว้ด้วยเชืฐทาและชยันคนละด้านส่วนพี่ชายกลางนั้นนอนถัดออกไปทางด้านริมขวาสุดซึ่งบัดนี้เงียบสนิทไปแล้วอนุชามีธรรมชาติประจำตัวเหมือนพรานป่าอาชีพคือหลับง่ายตื่นเร็วและมักจะไม่พูดอะไรโดยไม่จำเป็นในเวลาเดินป่าส่วนพี่ชายใหญ่นะตอนนี้จะหลับหรือเปล่ายังเดาไม่ถูก เห็นนอนอมือประสานกันวางอยู่บนอกเห็นพวกพี่ๆและพวกลูกหาบทั้งหลายในยามนี้แล้วดารินก็มีความสงสารและรู้สึกหินใจเป็นอย่างยิ่งเพราะตัวของหล่อนเองแท้ๆ ท, ที่พลอยทําให้ทุกคนที่ร่วมขบวนมาด้วยต้องมาลําบากยากแค้นแสนเข็นเสียงเป็นเสียงตายอยู่ทุกขณะจิตเช่นนี้วางไรเฟิ่อลงทางด้านศีรษะแล้วค่อยๆเอ็นกาย นอนราบลงกับพื้นที่ปูไว้ด้วยผ้าใบพฤติการทั้งหลายที่ผ่านเข้ามาพบเห็นกับตนเองเข้ามาเป็นภาพสับสนยุ่งเหยิงอยู่ในสมองยากที่จะขจัดหรือ ม, มันลงไปซะได้มันล้วนเป็นเหตุการณ์ที่หล่อนจะต้องเก็บเงียบไว้คนเดียวตลอดไปชนิดที่จะแพร่พรายบอกเล่าให้ใครพลอยมาร่วมรับรู้ด้วยไม่ได้เลย แม้จะเป็นคนที่รักสนิทและไว้วางใจที่สุดก็ตามเพราะมันจะมากเรื่องมากปัญหาชนิดที่หล่อนอธิบายตลอดทั้งชาติก็จะไม่มีใครสามารถเข้าใจได้อย่างที่แงซทรายเข้ามาเตือนในความฝันนั้นถูกต้องแล้วระหว่างที่ทำเป็นหลับตานิ่งนั้นหล่อนรู้สึกว่าชายันผู้นอนขนาบข้างอยู่จะเฝ้าสังเกตอากาศกิริยาหลอนอยู่พักใหญ่พอเห็นหลอนนิ่ง ไม่กระดุกกระดิกออดิตนายทหารปืนใหญ่ก็หลับไปดารินถอนใจลึกเหตุการณ์ทุกลำดับขั้นตอนนับตั้งแต่ช้างที่ถูกบรรดาลขึ้นมาด้วยมายาเวทของมันไรนำล่อใต้ผาน้ำตกเข้าไปปรากฏอยู่ในความทรงจำของหลอนทุกขณะจิตชนิดจะไม่มีวันลืมเลือนตราบชั่วชีวิตสิ่งที่หลอนมองเห็น สรรพสํสเนียงที่หลอนได้ยินโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อความเจราจาบอกเล่าของราชปุโรหิตมันไรทุกประโยคทุกถ้อยกระทงความยังคงก้องอยู่ในสมองรวมทั้งคําพูดตอบโต้ของตนเองด้วยณบัดนี้อาถรรพ์แห่งนิทรานครอันเป็นอาณาจักรในอดีตของตนเองได้สิ้นสุดลงแล้ว พร้อมๆกับการอาวสานโดยสิ้นเชิงของดวงวิญญาณซึ่งเต็มไปได้วยอิทธิฤทธิ์ของมันไกรที่เฝ้ารอคอยการกลับคืนมาของหลอนนับอนันต์กาลได้ะลม่มล่มถูกกลบฝังจมลงไปสู่ใต้พื้นปัตต ภ, ภีชนิดที่จะไม่ปรากฏให้ผู้ใดมาค้นพบได้อีกตลอดชั่วนิรันดร์การโดยน้ำมือของจิตรางคนา ผูกลับชาติมาเกิดเป็นดารินในพบนี้โดยไม่มีผู้ร่วมคณะคนใดได้ทราบถึงตื้นลึกหนาบางใดๆทั้งสิ้นพรรคพวกของหลอนได้เห็นและได้เข้าใจไปในอีกลักษณะหนึ่งซึ่งเป็นคนละด้านคนละแง่มุมกับที่หลอนพบเห็นผด ช, ชิญมากับตนเองรับพินรับพินเล่าขณะนี้เขาอยู่ที่ไหน เขาจะด้วยล่วงรู้รำลึกย้อนไปถึงอดีตของตนเองได้หรือไม่ว่าเขาคือใครมีสายโยงใยเกี่ยวข้องกับหล่อนมาในทุกอดีตการเช่นไรบ้างจึงมีเหตุให้ต้องมาชดใช้กรรมทนทุกขเวทนาด้วยการพลัดพรากจากรักในชาติภพนี้หล่อนมองย้อนอดีตเห็นทะลุปลุกปรงหมดแล้วทว่าวอนาคตอนาคต ยังเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น